ไปณสถานที่ต่างๆในศาสนพิธีพวกเราก็เมื่อไหว้พระเสร็จแล้วไม่ว่างานมงคลหรืออวมงคลงานมงคลก็คื อ, ยอยางานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานหรืองานทําบุญอายุแต่งานอาวมงคลก็คื อ, ยอยางานร่มงานตายงานศพ การรวดแล้วแต่เมื่อมาถึงแล้วก็ไหว้พระเสร็จแล้วก็อารัธนาขอสินศินห้าอันนี้คือคือเป็นประเพณีพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่เมื่อขอสินแล้วพระเทเระก็ให้สินท่านก็ไม่ได้อธิบายเรื่องสินห้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรถือกันมาแล้วก็ถือกันไปนี่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 หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าจากคณะสัตยาธิษมจากจากตุรทิศคงจะไม่ใช่แต่เฉพาะอําเภอภูเรือแห่งเดียวเท่านี้คงมาจากหลายๆแห่งหนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรับศินหลวงพ่อจะขอแนะนําเรื่องของศินให้กับคณะสัตยาติโยมให้เข้าใจก่อนอันดับแรกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายขอศิน มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักนัดถายะติทรเนนัชหะเราบางครั้งก็มยังพันเตติทรเนนัชหะบางครั้งก็วิสูงวิสุงบางครั้งก็ติทรเนนัชหะปัญจศีลานิยาจามะแต่ทําไมขอศินห้าเหมือนกันทําไมไม่พูดแบบเดียวกันศินห้ามีสองมาตรฐานหรือเปล่านะถ้าหาว่าพวกเราได้สังเกตพวกเรา ถ้าว่าเป็นผู้สงสัยก็จะสงสัยแต่โดยมากโดยมากก็ไม่ได้สงสัยถ้าสงสัยกลัวจะเป็นบาปมากกว่าพวกเราถือกันมาแล้วก็ถือกันไปนี่แหละตามไม่จริงศินห้าสองอย่างขอสองอย่างมีความหมายต่างกันความหมายที่เรียกว่มามะยังพันเตติสรารเนนสหปัญจศีรานิยาจามะ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 ยงตายไปสิทธิ์สินขาดข้อที่หนึ่งก็ยังมีข้อที่สองถ้าหากว่าเราไปขโมยของเขารองเท้าของเขาแล้วก็ขาดสินข้อที่สองถ้าหากว่าเราไม่ครบสิทธิในสามีภรรยาคนอื่นเขาสินข้อที่สก็ขาดไปไปโกโหกเขาข้อที่สก็ขาดไปไปดื่มสุราเข้าไปของหมื่นเมาเข้าไปสินข้อที่หก็ขาด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 ถ้าวันรวยก็จะได้รวยทีเดียวฮะจะไม่ใช่ไปเก็บเทละห้สบสตางค์เทระเสหลงนะให้ได้ก็ได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไปเลยเจะดีกว่าอย่ากนั้นเมื่อรัฐนาศินแล้วประธานสง์หรือว่าครูบาอาจารย์ผู้ให้ศินท่านกวา่านะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคณะทายาิโยบางท่านที่ห่างวัด ที่แต่ว่าเห็นมารับศีลก็รับไปแต่ก็ไม่รู้ว่าณโมตัสน์นั้นมีความหมายและความแปลว่าอย่างไรแต่ตามที่จริงณโมตัสน์ปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระโอษนัตอันนี้คือความแปลและความหมายของณโมก่อนที<อ><อ>่เราจะสมาทานศีล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 อย่ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นแนวทางของชีวิตนำมาประพฤติปฏิบัติในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละอันนี้คือพุทธทางธรรมจากนั้นกับปานาติปาตาเว ร, รมณีศิขาปะทางสมาทิยามิข่าพระเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนอื่นเขาก็ไม่กป็ไรเพราะเราไปฆ่าเขาถ้าเขามาฆ่าเราเมื่ อ, อไหร่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 นี่แหละโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนวุ่นวายไปทุกหัวและแห่งเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกกรัตทายญาติโยมลูกหลานทุกคนเมื่อรู้คุณค่าของศีลแล้วต่อไปพวกเราควรจะสมาทานศีลหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสิเลนาเนผูติยันติตัสมาสีหลังวิโสทเยต่อไปตั้งใจฟังแต่หลวงพ่อก็คงจะไม่ได้แสดงคงจะไม่เทศยาวเพราะว่าวันนี้ก็ดึกพอสมควร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 เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลมาคือพระพุทธโรกที่เป็นพระประธานต่อหน้าของพวกเราท่านทางหลายเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งขอให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกโมูเหล่านะาวันนี้เขาต้องสู้นะวันทีปีหนทั้งชีวิตของพวกเราก็ได้มาทมําบุญอย่างวันนี้แหละาหาได้ยากมาก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 นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะระมุตตะมันติติ วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่หลวงพ่อนิพนอภิปสันโนที่ท่านได้ เ, เป็นเจ้าววาดณสำนักแห่งนี้แล้วก็ท่านได้ริเริ่มสร้างศาลาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นที่หลวงพ่อได้ดูในสมุดกาว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 ที่เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ในฝ่ายการศึกษาเป็นว่าผู้ใหญ่สุดรองลองมาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็นเนี่องนี้แหละสมเด็จพระวรรณรัตองค์ที่มาเมื่อกี้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่สุดของธรรมยุทธวงการกรรมฐานเบนวงการธรรมยุทธของพวกเราแล้วก็ท่านได้มาอุตส่าห์มามารับมาเป็นประธานศาลาหลังนี้ แล้วก็ศาราหลังนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบว่าเป็นการถวายสาลาการเปรเรียนแ ด, ด, ส ด, ดนส่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เ, เดี๋ยวนี้พระ อ, องค์ก็กําลังทรงประสวรอยู่พระ อ, องค์อายุร้อยปีเมื่อวันที่วันที่สาวันที่สมที่ผ่านมา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 ให้ไหว้พระกาพระลาหังสวากาโตสุปฏิปันโนสวากาโตสุปฏิปันโนเมื่อกราบเสร็จแล้วก็นโมตัสสะปะคขวัโตข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพทุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็พุทธังทำมังสังขังสรณงคาฉาเมดูติตาติจากนั้นก็ถ้ามากกว่านั้นก็สวดอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนกาเยยยภาจา ถ้าได้มากเราก็สวดมากถ้าได้น้อยเราก็สวดน้อยแต่ถึงอย่างไรเมื่อไหวพระเสร็จแล้วอย่าลืมแผ่เมตตาแผ่เมตตาคำนี้นะ่ะเออถ้าเราอาหารสุกิโตโหมินิทุ โ, โหมิเราอาจจะไม่แปลไม่เข้าใจแต่เอาภาษาใจอย่างหลวงปู่ล่าที่ท่านแนะนำสั่งสอนหลวงพ่อนะท่านบอกว่าให้นึกเป็นภาษาใจของเราทาใจให้นิ่งๆปน ม, มือ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 เป็นเลขคู่ให้ใจะออกเป็นเลขคี่แหละอันนี้แปลว่าสติของเราไม่ค่อยดีแล้วอย่าไปชราใจนะแต่เนี่สติของเราไม่ดีเราต้องเข้มแข็งต้องฝึกสติให้เข้มแข็งเพราะว่าถ้าเราเผลอบ่อยๆเนีนะ่ยอัลไซเมอร์น่ยเริ่มเข้ามาแล้วเ อ, อเผลอๆ เ, เราเบิรเราเผลอไปมากๆนะเป็นบ้าในง่ายๆนะไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นนะขาดสตินะี่ก็คือคนบ้าเพราะนั้นเราจะเป็นอย่างนั้นไป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 แต่ว่านามธรรมตัวนั้นละ่ะออกจากร่างแล้วจะไปปฏิสนธิจะไปหาเกิดที่อื่นและเมื่อเราสร้างบาปก็ดีทํำบุญก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีจะเข้าสู่จิตใจคือนามธรรมเ อ, อีอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรมเพราะเหตุไรอย่างพุทธภาสิทธิว่ามโนปุพังคมาธรร ม, มามโนเสรษฐามโนมายา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 กำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลุดได้ง่ายนะถ้าว่าจิตใจยังไม่สงบมันยังเผล้ยผลไปอยู่ให้บริกรรมพุทธโธสำทับเข้าอีกนะบริกรรมสำทับ พ, พุทธโธเขาด้วยเนี่ยมันจะเป็นพลังสองจิตใจเขาจะได้เขาได้รับความสงบดีขึ้นหลวงตามหาบัวท่านก็ปฏิบัติตามทาคําสอนขององค์หลวงปู่มั่นที่อาจารย์ของท่านเพราะท่านเคารพ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 เนี่ยคล้ายๆว่ามีสติสัมปชัญญะในทุกอริยาบทาจากนั้นท่านกา็บริกรรมพุทธโธดวงตาท่านนั่งภาวนาจนจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบนน่งเป็นหนึ่งนั่งตลอดทั้งคืนเลยท่เาเพรพอจิตใจใหม่ๆนะโอ้ท่านว่าสามสี่วันแรกเนี่ยบังคับเอาเสีย้ยมันไม่ยอมคล้ายๆคำเหมือนกับเราฝึก ควายไถนาลักษณะอย่างนั้นแหละออพอสนตะพายเข้าไปแล้วเอาไปไถนานออทั้งจะผิดทั้งจะโดดทั้งกระโดดโลดเต้นถ้าเป็นควายแก่เท่านั้นออถ้ามีอายุมากมกเท่านั้นนะเขาเราจะฝึกให้ระวังให้ดีก็แล้วกันเนะพราะฉะนั้นการฝึ ก, กจิตของพวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นแหะใหม่ๆเพราะฉะนั้นถ้าของเราฝึกเข้าดีๆแล้วถึงควรแก่การงานใจของเราเข้าสู่ความสงบนิ่งเลพอนิ่งเป็นนั่งสมาธิ นั่งตลอดทั้งคืนก็ได้เลจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งตลอดเลยเออก็จากนั้นก็มากราบหลวงปู่มั่นหลวงปู่ครับเออเป็นไงมาหานั่งภาวนาโอ้จิตใจสงบดีมากครับผมนั่งทั้งคืนได้เออแต่ก็เออเป็นไงล่ะต้องพิจารณานะถ้าจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วสงบแล้วนํามาพิจารณานะมหานะเออหลวงตาท่านก่อน มาอีกคำมาอีกเป็นไงมาหาแต่พิจารณาโอ้มันไม่ยอมออกครับผมพอมันเข้าสมาธิมันมันมีความสุขมันไม่ยอมออกเลยครับผมครั้งที่2ครั้งที่1ครั้งที่สองเท่านั้นแหละเอ้ยต้องออกนะทาไม่ออกไม่ไม่เกิดประโยชน์นะต้องออกต้องบังคับให้ออกพิจารณานะพอครั้งที่สเท่านั้นออกไหมมันออกอยู่แต่มันไม่ยอมออกมันออกแล้วมันเข้ามหาสมาธิอีกอย่างเก่า ก็ผมหลวงปู่มั่นตะเพิดเลยท่านี่สมาธิน่มันเพียงแต่เหมือนกับเนื้อติดฟันเท่านั้นเองทำไมจะไปหาหลงไหลในสมาธิเพียงแค่นั้นต้องพิจารณาต้องออกเดินออกสมาิออกวิปัสสนาต้องพิจารณาแบบใช้มาตรการเลยลงตาทั้งก็โอ้เอาจริงจังเลยท่ากนํำมาพิจารณาเถอ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 แยกส่วนแบ่งส่วนเกสาผมถอนขนถอนผมไว้กองหนึ่งขนไว้กองหนึ่งเล็บไว้กองหนึ่งฟันไว้กองหนึ่งหนังถะลกหนังไว้กองหนึ่งอเนื้อเอ็นกระดูกตัาปอดลำไส้กองไว้เป็นกองกองกองเรียกว่าอาการ32 32ิบอองกองอันไหนคือร่างกายของเราอันนั้นผมเป็นของเราใช่ไหมขนเป็นของเราใช่ไหมเล็บเป็นของเราใช่ไหมฟันเป็นของเราใช่ไหม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 ไม่ไม่ใช่ของเรานะอันนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อสมมติอยู่ในโลกเท่านั้นเองเออให้มันอยู่ในได้ถ้าเราไม่สร้างไม่มีใครทำอะไรเลยมันก็ไม่ถูกในเมื่อทาเสร็จแล้วมันก็ปล่อยวางที่ใจเอออย่าไปยึดมัน่นถือมัน่นนะใจนะขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะยดถาบรรดาศักด์เงินคาทรัพสมบัติอะไรจะเป็นของเราได้ยังไงสามีภรรยาลูกหลานเราิทงทั้งหมด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 ปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไว ย, ยวุฒิคุณนวุฒทท้งหลายเอ่อที่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับเราเป็นบุคคลที่ควรกราบไหว้เคารพสักการะบูชานี่ว่าปูชาจะปูชนียานังเป็นบุคคลที่ควรบูชา